ชาวพุทธต้องเรียนอริยสัจวงเล็บเปิดยี่ธันวาคม2549ันาในวงเล็บสองจุดจุดนาที22อวงเล็บปิดอริยสัจเป็นแม่บทของธรรมะทั้งหมดเลยชาวพุทธต้องเรียนอริยสัจนะจะเป็นพระเป็นคารวาะก็ต้องเรียนอริยสัจอริยสัจ4ี่เริ่มตั้งแต่ทุกข์ต้องเรียนทุกคืออะไรไม่ใช่โมเมเอาเองว่ารู้จักทุกข ไม่มีใครรู้จักทุกหรอกเรารู้จักแต่ทุกขเวทนาหรืออย่างเก่งมากๆเลยก็รู้จักทุกขลักษณะไม่มีใครรู้จักทุกขสัจจะนะคนที่รู้จักทุกขสัจจะจริงๆต้องเป็นพระอรหันนะฉะนั้นเรายังไม่ได้รู้จักทุกขสัจจะหรอกทุกขสัจจะคืออะไรท่านบอกอะไรคือทุกข์ขันห้าคือทุกข์มีใครรู้สึกว่ากายนี้คือทุกข์ใจนี้คือทุกข์ไหมไม่มีหรอก เรารู้สึกว่ากายนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างต่างหากจิตใจนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างต่างหากเรารู้สึกอย่างนี้ฉะนั้นเราไม่ได้รู้ทุกข์นะแต่เรารู้ทุกขเวทนาเดี๋ยวมันก็เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างหรืออย่างมากไปนั่งภาวนานะเห็นว่าสภาวะธรรมทั้งหลายทั้งรูปทั้งนามทนอยู่ไม่ได้นานนี่เห็นทุกขลักษณะนี่ไม่ใช่ทุกขสัจจะนะ ถ้าเห็นทุกข์ษัตริย์จะมันจะเห็นเลยขันห้านั่นแหละคือตัวทุกข์กายนี้แหละเป็นทุกข์ใจนี้แหละเป็นทุกข์ไม่เห็นหรอกต้องภาวนากันนานตามดูกายตามดูใจนานนะวันใดเห็นกายเป็นทุกข์ล้วนๆไม่ใช่ทุกข์บ้างสุขบ้างจิตจะเห็นเลยตาหูจมูกลิ้นกายไม่ใช่สิ่งที่น่าเพลิดเพลินพอใจอีกแล้วตาหูจมูกลิ้นกายนี่แหละตัวทุกข์ฉะนั้นรูปเสียงกลิ่นรสโพธภะนี่แหละตัวทุกข์ จิตจะไม่ยึดในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏภพพะฉะนั้นจะไม่มีการมาราคะและไม่มีปฏิฆะถ้ามันยึดในรูปมันก็พอใจในรูปอย่างนี้เกลียดในรูปอย่างนี้มีการมราคะมีปฏิฆะฉะนั้นคนที่สามารถละความยึดถือในกายได้เด็ดขาดจริงๆคือพระอนาคามีเป็นภูมิของพระอนาคามีพวกเราไม่พ้นหรอกหรือละความยึดถือจิตได้นี่เป็นภูมิสุดท้ายแล้ว เห็นเลยจิตนี้ทุกข์ล้นล้วนนะทุกโดยตัวของมันเองไม่ใช่ว่าทุกเพราะไปเจออารมณ์ที่ไม่ดีแต่เป็นทุกเพราะมันเป็นขันนั่นแหละถ้าเห็นอย่างนี้ถึงจะวางตราบใดที่ยังเห็นว่าเป็นทุกบ้างเป็นสุขบ้างยังจะดิ้นได้ยังมีทางเลือกจะดิ้นหาความสุขดิ้นหนีความทุกข์เรื่อยๆไปแต่ถ้าเห็นว่าขันห้าเป็นทุกข์ล้นล้วนมันจะสลัดคืนเลยเรียกว่าปฏินิสะสะคะสลัดคืนไม่เอาแล้วจะปล่อย ใจิตใจเราจะมีมือลึกลับอีกอันหนึ่งพวกเราหลายคนภาวนาเห็นมือลึกลับนี้หรือยังเช้าตื่นขึ้นมาก็หยิบปั๊บมาก่อนเลยหยิบฉวยรูปหยิบฉวยนามขึ้นมาหยิบได้ง่ายนะแต่ปล่อยไม่เป็นหยิบขึ้นมาอย่างนั้นแหละปล่อยไม่ได้ต้องฝึกต้องดูไปอย่าเบื่อง่ายๆนะพระพุทธเจ้าสอนอริยสัจต้องเรียนอริยสัจ ท, ทุกคือเรื่องของขันหหน้าที่ของเราต่อทุกคืคอการรู้นะไม่ใช่คือการละ ถ้ารู้ทุกแจ็มแจ้งเราจะเห็นเลยกายนี้ใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆสมุทัยหรือตัณหาจะถูกละอัตโนมัติแต่เดิมเราคิดว่าถ้าละตัณหาได้แล้วก็ดับทุกได้อันนั้นเป็นธรรมะเบื้องต้นหรอกแต่ธรรมะเบื้องปลายจริงๆถ้ารู้ทุกคือรู้กายรู้ใจแจ็มแจ้งจะหมดตัณหาตัณหาจะไม่เกิดเลยตัณหามันเป็นความอยากนั่นแหละอยากให้กายนี้ใจนี้มีความสุขอยากให้กายนี้ใจนี้พ้นทุก พอมันรู้แจ้งว่ากายกับใจเป็นตัวทุกข์ล้นล้นนะไม่ต้องอยากแล้วสลัดคืนให้โลกไปเลยฉะนั้นตัณหาจะไม่เกิดอีกรู้ทุกแจ็แจ้งเมื่อใดสมุทัยถูกละเมื่อนั้นทันทีที่สมุทัยถูกละจิตจะหมดความดิ้นรนจิตหมดความดิ้นรนนิโรธก็แจ้งขึ้นมานิพพานคือสันตินิพพานคือความสงบจากขันสงบจากกิเลสฉะนั้นเมื่อใดตัณหาดับเมื่อนั้นนิโรธก็ปรากฏขึ้นมา ฉะนั้นต้องรู้ทุกนะการที่สติรู้กายรู้ใจเรียกว่าการเจริญมรรครู้ไปจนแจ่มแจ้งว่ากายนี้ใจนี้เป็นทุกข์ล้วนนเป็นตัวทุกข์ก็จะปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจตัณหาจะไม่เกิดอีกตัณหาไม่เกิดนิโรธก็แจ้งขึ้นมานี่ต้องเรียนนะต้องฟังหลายคนนึกว่าอริยสัจยากเกินไปหลวงพ่อประโมทสอนอะไรที่ยากเกินไปก็คิดอย่างนั้นมันก็ไปไหนไม่ได้สักทีนะ อริยสัจนี่เป็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนทั่วไปเลยอยู่ในอนุปปภะ พ, พิกถาก็มีอนุปปภะพิกถาเป็นธรรมะที่สอนชาวบ้านสอนให้ทำทานสอนให้ถือศีลทำทานถือศีลแล้วได้ขึ้นสวรรค์สวรรค์ยังไม่เที่ยงแท้นะความสุขอย่างนั้นไม่เที่ยงแท้ต้องออกจากกามถึงจะดีออกจากกามแล้วก็มารู้กายมารู้ใจออกจากกามก็คืออย่ามัวแต่หมกมุ่นอยู่กับสิ่งที่เราไปรู้ ทั้งตาหูจมูกลิ้นกายมากนักให้คอยมาสังเกตกายสังเกตใจตัวเองจนวันหนึ่งแจ่มแจ้งก็วางได้นี่เรียกว่าอริยสัจ